No, no, no. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่2องพศ2557เรื่องการประกาศใช้กฎเอการตึกทั่วราชอาณาจักร ตามให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอำนาจการปกครองตั้งวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา1 6นาฬิกา30นาทีเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามคาในมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติกฎเอกรารศิกธิพุทธศักราช2457ประกาศใช้กฎเอกรารสิททั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16นาฬกา30นาแองเป็นต้นไปทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557คนเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3พ2557เรื่องห้ามออกนอกเห้อาสถาน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยุดอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16นาฬกา30นาทีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎการศึกพุทธศักราช2457จึงกำหนดมาตรการดังนี้ 1. ห้ามไม่ให้บุคคลใดทั่วราชนาจักร ออกนอกที่สถานภายในเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาตั้งแต่วันที่23พสิบัาคม2 5 5 7เป็นต้นไปเว้นแต่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินสมควรเก่เหตุ 2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎอายการศึก พุทธศักราช2457เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557คุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่4ี่ครับ2557เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องทงต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอกการตึกพุทธศักราช2457จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัพน์ดาวเทียมและเคเบิลดําเนินการดังนี้น 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีด้าที่เป็นของราชการและเอกชน งดรายการประกสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้นที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประกำของสถานีและให้ถ่ายทอดต่อรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทุกสถานีนับรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Come um. on. Oh, my God. ในชีวิตของฉัน